ทรัพย์ที่อยู่ในนาหนึ่งรที่ชื่อว่านาได้แก่ที่ซึ่งมีบุพพันชาติหรืออปรัญชาติเกิดที่ชื่อว่าทรัพย์ที่อยู่ในนาได้แก่ทรัพย์ที่เขาเก็บไว้ในนาโดยฐานะสี่คือฝังอยู่ในแผ่นดินตั้งอยู่บนพื้นดินลอยอยู่ในอากาศแขวนอยู่ในที่แจ้งภิกษุมีทายจิตคิดจะลักทรัพย์ที่อยู่ในนาหาเพื่อนไปด้วย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 ภิกษุกล่าวตูเอาที่นาต้องอบัตทุกกฏทำให้เจ้าของเกิดความสงสัยต้องอบัตทุลใจหากเจ้าของทอดทุระว่าจะไม่เป็นของเราต้องอบัตปาราชิกภิกษุเมื่อดาเนินคดีชนะความเจ้าของต้องอบัตปาราชิกเมื่อดาเนินคดีแพ้ความต้องอบัตทุลใจภิกษุปากหลักขึงเชือกล้อมรัว้วหรือถมคนาให้ลุกล้าที่นา ต้องอบัตทุกกฎเมื่อความพยายามรุกล้ำที่นาอีกครั้งเดียวจะสำเร็จต้องอบัตทละใจเมื่อความพยายามครั้งสุดท้ายสำเร็จต้องอบัตปาราชิก